5.18 เราผูกพันกับครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ไม่ผูกพันกับเราวงเล็บเปิด24มีนาคม2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที17วงเล็บปิดอย่างพวกเราผูกพันกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ผูกพันกับเราหรอกหลวงพ่อเคยไปเห็นรูปหนึ่งนะคือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูนเวลาแสดงธรรมะนะจะนุ่มนวลอ่อนโยนแทบจะเอาเราใส่ตะกร้าเลยนะทนุถนอม แต่พอท่านแสดงทำเสร็จแล้วถามเราว่าเข้าใจไหมเราจะบอกว่ายังไม่เข้าใจจะขอไปลองก่อนหรือบางตอนเข้าใจก็บอกว่าเข้าใจก้มลงกราบท่านนะพอเงยหน้าขึ้นมาเราพบคนอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้จักแล้วคนแก่ที่นุ่มนวลใจดีคนนั้นหายไปอัตโนมัติเลยกลายเป็นคนคนใหม่ที่เราไม่สามารถสัมผัสหรือแตะต้องได้ดังนั้นสภาวะของครูบาอาจารย์ที่ภาวนาดีแล้วท่านไม่ได้มาผูกพันกับใครเลยสักคนเดียว ถ้ายัางต้องสัมผัสอยู่ก็เมตตากรุณาไปอย่างนั้นแหละเป็นสภาวะที่เราตามร่องรอยได้ยากที่สุดนะที่ท่านเทียบบอกว่าเหมือนรอยเท้านกในอากาศนกเหยียบอากาศไว้นะแล้วรอยเท้าอยู่ตรงไหนรอยเท้านกในอากาศไม่สามารถตามร่องรอยได้ภาวนานะมีทางอันเดียวที่เราจะรู้ได้ว่าสภาวะเหล่านี้เป็นอย่างไรคือเราต้องภาวนาให้ถึงตรงนี้ก่อนแล้วจะรู้ว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้โกหกนะเอาความจริงมาเล่าให้ฟังล้วนๆเลย เป็นธรรมะที่อัศจรรย์เอไปรู้เข้าไปเห็นทีแรกน้ำตาร่วงเลยว่าธรรมะขนาดนี้ก็มีด้วยไม่ได้ร้องไห้เพราะดีใจเสียใจนะแต่มันเป็นธรรมะปิติคือปิติในธรรมะของพระพุทธเจ้า